เจตนาอาสะวะขยะวะหังโมตุลอนป่านะเพื่อพระเนรพาทําอะไรเพื่อพระเนรพาก็เรียกว่าเจตนาโลคุตระเจตนาผู้บาลมีแนิเก่ามาแล้วก็พิจารณาไตรลักษ์เลยก็ได้พิจารณาพวามเข้าลใจเข้าออกเห็นอ น, นิจจังชัดในปัจจุบันก็เห็นทุกชัดในปัจจุบันเหมือนกันก็เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนชัดในปัจจุบัน ไม่ใช่อยู่คนละเป้าอยู่เป้าเดียวกันในปัจจุบันนั่นเองลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็มีใจ ร, รักกลมกืนกันอยู่ทุกขณะเลยอดีตคืออะไรคือใจ ร, รักที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือใจ ร, รักที่ยังม่มาถึงปัจจุบันคือใจ ร, รักที่กําลังเป็นอยู่จะเอาใจ ร, รักไปพระเนดอกหรือไม่ได้เอาไป พิจรณาให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ้นตามเป็นจริงเฉยๆไม่ได้เอาไปพระนิพพานด้วยพระอนาคามีบางพระองค์ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงอยู่สุตทวารชุตทวารเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีบางพระองค์พระชวดวันก็เหมือนกันพิจาณาไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเมื่อเห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงบริกรรมอยู่อย่างนี้เห็นทั้งความเกิดความดับที่ความบริกรรมด้วย ก็เห็นทุกสัมพยพยศอยู่ด้วยก็เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนสัมพยพยศอยู่ด้วยไม่ใช่อยู่คนละมุมโลกอันนี้จังอยู่ที่ไหนทุกก็สัมพยพยศอยู่ที่นั้นในขณะเดียวกันเลยอนัตตาก็อยู่ในขณะเดียวกันเลยกลมกลืนกันเป็นเชือกสามเกลียวพรลมัสศาสดาฉลาดเทศนาวิธีวิธีย้อนถามก็มียอดถามทำไมเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจชัด สิ่งได้แม่ที่อย่างสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราทุกครั้งวันเทเป็นทุกข์เราเจ้าข้าสิงได้เป็นทุกข์สิ่งนั้นจะสําคัญว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขามันจะถูกไหมมันไม่ถูกเพาะเจ้าข้าในตังว่าะนสว ะ, ทะทัตสเมตตมยโสอัจจตินั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดังนี้เมื่อเราไม่มีของเราไม่มีสังขารศูญย์ในเงื่อนสอง 2. ผู้อื่นไม่มีของผู้อื่นไม่มีสังขารศู 0, นย์ในเงื่นสี่ หรือว่างในเงื่อนสี่บางท่านก็บอกว่าวางปล่อยซักวางปล่อยซถ้าเราตามเข้าไปเมื่อเราไม่มีในขั้นห้าขั้นห้าไม่มีในเราเราจะทากิริยาวางมันก็ไม่ถูกเมื่อรู้เท่าแล้วมันวางเองในตัวมันก็ว่างอยู่ตามธรรมชาติแล้วว่างจากสัตว์จากบุคคลตามธรรมชาติแล้วพระเนพานก็ว่างอยู่ตามธรรมชาติ สังขารก็ว่าเงื่อนตามธรรมชาติมีหน้าที่จะรู้ธรรมเป็นจริงเท่านั้นเพื่อกันความยึดถือว่าเราว่าเขาว่าสาระมกคลมันจะขันไม่ใช่ตัวตนอดีตมันใช่ตัวตนอนาคตมันใช่ตัวตนปัจจุบันไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่ผู้อื่นด้วย mm. เมื่อตามเข้าไปไม่เห็นตัวตนเราเขาเราจะทาจริยาวางมันก็ไม่ถูกถ้าทาจริยาวางก็เรียกว่า เป็นของเราเราจรึงทำกิริยาวางถ้าไม่เป็นของเราถ้าไปเป็นไม่เป็นของผู้อื่นเนาะการทำกิริยาวางก็ไม่มีมันว่างอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็หลงเอ่ยกันเท่านั้น เ, เราไม่มีของเราไม่มีทั้งปัจจุบันทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตแล้วจะทำให้ว่างยังไงมันว่างอยู่ก่อนแล้วว่างแปว่าว่างจากสัตว์จา ก, จา ก, จากบุคคลตัวตวนเราเขาทุกสิ่งทุกอย่างว่างอยู่แล้ว คำว่าศูนย์ก็ว่างก็มีความมหึญอันเดียวกันศูนย์จากสัตว์จากบุคคลที่จะไปยึดถือแต่ทำทาลายมีอยู่พระเนพานมีอยู่สังขารก็มีอยู่แต่ว่าสังขารก็ดีพระเนพานก็ดีไม่มีใครเป็นเจ้าของมัน ก, ก็ว่างอยู่ตามธรรมชาติก็รู้ตามเป็นจริงเท่านั้นนล้ก็พอแล้วไม่ต้องวุ่นวายเองให้รู้ให้ติดต่ออยู่ความหลงจะมาจากประตูไหนไม่มีเมื่อชนะอัตวาทุกประทานแล้ว รั้เท่าเท่าตามมาเจออจวาทุประทานแล้วอวิชาตัญหาก็ดับไปนะทีนั้นเองอุปทานทั้งปวงก็แตกกะเจิงไปนที่นั้นเองศีล ต, นะตัวเดียวสมาธิตัวเดียวปัญญาตัวเดียวเลยลวม ก, กันอยู่ณที่ศีลสีกขาสีกขาคือศีลยิ่างที่จิตต์เสียขาสีกขาคือศิลอย่งณที่ปัญญาเสียขาเสียขาคือปัญญายิง่งรวมพลกันอยู่ในวัจจวันนั่นเอง เมื่อใดเห็นสังขารน่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อ น, นั้นย่อมหน่ายในทุกขนั่นแหละทางแห่งวิสุทธิ ส, ว ส, ธสีวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาเวสุทธิก็อยู่ในที่นั้นด้วยในบัญญัติก็ไม่เป็นปัญหาถ้าไม่มีของเราไม่มีผู้อื่นไม่มีของผู้อื่นไม่มีสังขารศูญในเงื่อนสี่หรือว่างในเงื่อนสี่คำว่าว่าก็ว่างจากรัฐจากบุคคลนั่นเองว่างและหายไปก็ถูกเหมือนกัน ว่างจากรัฐจากบุคคลก็เดียวกั น, ก, น, ก, นก็มีความหมายอันเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างมันว่างอยู่แล้วแต่เราไม่ยอมให้มันว่างใครเป็นผู้ไม่ยอมให้ว่างก็เพราะกิเลสผู้ไปหลงยึดถือเอาสังขารว่าเป็นตัวเป็นตนไปยึดถือเอาพระ涅์ว่าเป็นตัวเป็นตนใครเป็นผู้ไปยึดถื อ, อ, นนถอก็ผู้หลงนั่นเองไปยึดถือผู้ไม่หลงก็ไม่ไปยึดถือเลยก็อยู่ตามธรรมชาติแผ่นดินอย่างนี้ มันไม่ไม่ก็ไม่มันก็ไม่ยืนยันว่าเป็นมันเป็นของใครและมันก็ไม่ปฏิเสธเหมือนกันดินน้ําไฟลมก็เหมือนกันข้าพเจ้าเป็นดินของคนนั่นคนนี้เป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมของคนค น, นั้นคนนี้มันก็ไม่ยืนยันปฏิเสธมันก็ไม่ปฏิเสธวางเฉยมันก็ไม่วางเฉยนั่นน่นเรื่องทั้งหลายก็มีแต่ความหลงปั้นขึ้นเมื่อรู้เท่าความหลงความหลงก็แตกกะเจิงไปเลย เมื่อยังไม่รู้เท่าความหลงมันก็หลงอยู่นั่นเองเพระมันหลงว่าเป็นของมันนั่นเองสำัำพันธญมาเวทนาจึงว่าลูกก็เป็นจะศักว่าลูกเวทนาก็เป็นจะศักว่าเวทนาสัญญาสังขารเวี ญ, ญานาณก็เหมือนกันไม่ใช่สาตร์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเลยทำมันนี่รวมพลแล้วทาพระบรมชาติลาเท ศ, ทศทอันนี้มากกว่าเพื่อนเทศไตรลักษณ์ ลักษณะที่มีเสมอกันแก่สังขารทั้งปวงเรียกไตร ล, ลักษณะอันนี้จะตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อันนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตนสามัญลักษณะสามอย่างลักษณะที่มีเสมอกันแก่สังขารทั้งปวงเรียกสามัญลักษณะมีสามอย่างแก่เป็นสามอย่างอันนี้จะตาความเป็นของไม่เที่ยง ทุกขตาความเป็นทุกขอันนันตาตาความเป็นของไม่ใช่ตนมันรวมพลกันอยู่ในขณะเดียวไม่ใช่อยู่คนละมุมโลกเป็นขณะจิตเห็นต่างหากเมื่อขณะจิตเห็นก็ว่าอยู่คนละอันดินน้ําไฟลมก็เหมือนกันเราเห็นดินดินยิ่งจะมีเราเห็นน้ําน้ำยิ่งจะมีเราเห็นไฟไฟจิงจะมีเราเห็นลมลมยิงจะมีไม่ใช่เป็นอย่างนั้นมันมีพร้อมกันในปัจจุบันแล้วเพื่อนผบขนและฟันนั ง, งก็เองกระดูกเนี่ย เราไปเห็นทีละยาละยาก็เข้าใจว่ามันมีคนละขณะมันก็มีในขณะเดียวกันธาตุดินน้ำไฟลมก็ดีผมขนยาคันนั้งแล้วเองกระดูกก็เหมือนกันธาตุี่ดินน้ำไฟลมก็มีอยู่ในปัจจุบันเหมือนกันชั้นในก็ดีตรรักก็กลมกลืนกันในปัจจุบันเหมือนกันตรรักคืออนิจจ์บางท่านก็บอกว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงบางท่านก็บอกว่าทุกทุกทุกทุบางท่านก็พิจารณาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นพรอปอกก็รวมให้ใจเข้าออกอันนี้อันนี้รวมพลศีล ร, รวมพลสมาธิรวมพลปัญญารวมพลไตรสิกขาชั้นสูงมาอยู่รวมนี้ไต ร, รสิกขาคือศีลสมาธิปัญญารวมพลกันกับไตรรักษ์แล้วไตรรักก็เป็นตัวศีลก็เป็นตัวสมาธิเป็นตัวปัญญา ตั้งมั่นอยู่ในพิจารณาอ น, นิจังทุกขังอนัตตาชีลังยาจามิศีลทําให้แน่นเหมือนศีลาไว้อย่างนั้นชี้รังยาจามิทําจิตให้แน่นในปัจจุบันรอบรููในปัจจุบันตั้งมั่นลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นเอาในปัญญปัญญารอบรูในปัจจุบันอันเดียวกันแล้วปัญญาตมากมันก็มากแล้วปัญญาโนยก็น้อย สังฆาไหนลงซะสังฆหโหอสังฆาโหสังฆาโหแปลว่าสงเคราะอัสสังฆโหไม่สงเคราะสงเคาะลงเป็นเอกนณีบาทเลยเอกะแปลว่าหนึ่งไตรรักก็รวมพลกันเป็นอันหนึ่งเป็นเชือกสามเกลียวเหนียวอยู่ที่ในปัจจุบันนั่นเองเมื่อปัจจุบันก็ไม่ใช่เราอดีตก็ไม่ใช่เราอนาคตก็ไม่ใช่เรา รูปในอดีตรูปในอนาคตรูปในปัจจุบันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันในอดีตอนาคตปัจจุบันเนตั้งวหามัทสเมนะ ม, มีโสมมอัตตาติอันนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดังนี้เธอจงรู้ตามเป็นจริงซักมันเป็นจริงอยู่ก่อนแล้วเราไม่ไม่ีหน้าที่จะไปแต่งให้มันจริงเราก็รู้ตามเป็นจริงกันความหลงของเราต่างหากไม่ใช่ไปแต่งให้มันจริงแต่งเราให้รู้ตามเป็นจริงเท่านั้น พระของทีหมายมันจริงก่อนอยู่ก่อนเราแล้วแต่เราไม่จริงเพราะมีความหลงไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของจิิงได้ถ้ามีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของจะเป็นของไม่มีโทษด้มามีในโลกตาไม่ใช่ตัวตนหูไม่ใช่ตัวตนจมูกไม่ใช่ตัวตนลิ้นไม่ใช่ตัวตนกายไม่ใช่ตัวตนใจไม่ใช่ตัวตนหมดอนัตตาจักขงอนัตตารูปาอนัตตา ว่าอนัตตาคืออนัตตา嘛，กายไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนจิตไม่ใช่ตัวตนทำไม่ใช่ตัวตนสติปัฏฐานสี่ก็พิจารณาลงสู่อนัตตาเหมือนกันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่ากายไม่ก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานวัตนาพิจารนาเวทนาคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่า เวทนานี้ความสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนานุปัฏนาพิจารณาใจที่เศร้าหองเรือผ่องแพร่เปอารมณ์ว่าใจนี้ก็สักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานุปัฏนาพิจารณาธรรมที่เป็นปู่โสดแลกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าธรรมนี้ก็สักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรมมานุปัฏนามีความหมายอันเดียวกันสติปัฏฐานสี่ก็มีความหมายอันเดียวกับตัขั้นห้า อทิตตะปริยาสูตรว่าด้วยตาหูจมูกเล่นกายใจก็มีความหมายอันเดียวกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ห้าก็มีความหมายอันเดียวกันก็ย่นลงมาก็เป็นรูปขันธ์นำขันธ์เท่านั้นย่นสติปัฏฐานถี่ลงมาก็เป็นรูปขันธ์นำขันธ์เท่านั้นย่นอาทิตตะปริยาสูตรลงมาก็เป็นรูปขันธ์นำขันธ์เท่านั้นก็มีแต่รูปขันธ์นำขันธ์เท่านั้นอันเป็นสังขารที่อยู่ในโลก <ถ> <PTSD> สัตว์ทั้งหลายไม่หลงรูปขันน้ำขันสัตว์ทั้งหลายก็ข้ามทะเลหลงไปหมดเหมือนกันถ้าไม่ยืนยันรูปขันน้ำขันรูปประธาต์นามาธาต์ก็อันเดียวกันรูปประธรรมนามธรรมก็อันเดียวกันรูปประโลกนามาโลกก็อันเดียวกันรูปประขันรูปปรูปประธรรมนามธรรมก็อันเดียวกันรูปประโลกนามาโลกก็อันเดียวกันรูปประธาตนามาธาต์ก็อันเดียวกันรูปเอ็นีนามเอ็ีก็มีความหมายอันเดียวกันเกิดขึ้นแล้วแปลผัวล้วแตกสลายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เป็นนาศักว่ารู้เป็นนาศักว่าเห็นแต่ผู้รู้ก็ยังม่ให้ยึดถือผู้รู้าตามเป็นจริงก็มาให้ยึดถือไมายึดถือผู้รู้ว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลรวมพลล ง, ล, ง ล, งลงในที่ใจที่ีตาหูจมูกลิ้นกายรวมพลลงที่ใจเสียแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ว, วิญญาณใช่แทนใจในอนัตตลักษณสูตรใช่วิญญาณแทนใจ ในอาทิตตพริยายสูตรก็ใช่ใจใจล้วนๆมนัตฉมิงเป็นนิบินนติรูเปสุเป็นนิบินนติมโนวิญญาณีเป็นนิบินนติมโนสัมพัทเ์เป็นนิบินนตินะนายผู้ไปหลงใจว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั่นเองนายผู้ไปหลงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั่นเองอันเดียวกันทีนี้อดีตคืออะไร คือสติปัฏฐานสีที่ร่วงไปแล้วอนาคตคือสติปัฏฐานสีที่ยังไม่มาถึงคือรูปกับนามที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือรูปกัปนามที่กําลังเป็นอยู่อดีตคือรูปกัปนามที่ร่วงไปแล้วหรือไตรรักษ์ที่ร่วงไปแล้วอนาคตไตรรักษ์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือไตรรักษ์ที่กําลังเป็นอยู่นอดีตคืออะไรคือทําฝ่ายเกิดไฟดับที่ดับไปแล้วส่วนานะ ส่วนทำฝ่ายไม่เกิดไม่ดับไม่อยู่ในอำนาจของอดีตอนาคตเลยพระเนียพามัอยู่ในอำนาจของอดีตอนาคตปัจจุบันทำฝ่ายไม่เกิดไม่ดับไม่ไม่เป็นหน้าที่จะไปบัญญัติว่าอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยเพระไม่อยู่ในอำนาจของอดีตอนาคตปัจจุบันพ้นจากเสียงเหล่านี้พรไะเป็นจริงอยู่ไว้มีกลางวันกลางคือที่บัญญัติว่าอดีตอนาคตปัจจุบันก็เป็นฝ่ายสังหารเท่านั้นพระเนียพานไม่เป็นหน้าที่จะมาบัญญัติ อดีตอนาคตปัจจุบันเลยเพราะพระเนเพพานมาได้ติดอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบนนันที่ว่าพระเนเพพาเพราที่ว่าพระหันมีอยู่ในโลกเท่านั้นเท่านี้นองค์พูดเป็นบุคลาทิฏฐานเฉยเฉยเพื่อให้รู้จักความหมายไอ้ที่แท้พระหรันผีบ้าอะไรจะมาอยู่ในโลกโลกมันก็มีแต่เกิดดับก็มีแต่สังขารและวามทุกพระหรันจะมาอยู่ในความทุกทําไมนะ ที่ว่าพระอรหันต์มีในโลกเท่านั้นเท่านี้องค์ก็พูดตามปุขลาทิิฐานเพื่อให้เข้าใจชัดตรงกับคำว่าปุขลอุปัฏภพติสัจจิกโถพระพระปุขละปัญญติก็บัญญัติบุคคลเป็นพระโสดาบันว่าสักกตาคามีบ้างอนาคามีบ้างอรหันต์บ้างไอทิแ ท, ทพระอรหันต์จะมาอยู่ในโลกทาไมที่บัญญัติว่าพระบรมศาสดา สวยมุตติสุขอยู่ในอาชามาแล้วเนี่ยโคตรก็ดีราชาไม่เกตก็ดีเฮงละเจ็ดวันเป็นสี่สิบเก้าวันเกียรตสี่สิบเก้าวันก็บัญญัติเพื่อให้รู้จักความหมายเฉยเฉยว่าพระบรมศาสตราสวยยมุตติสุขไอ้ทีแท้พระบรมศาสตราสําคัญตัวอยู่ในที่ใดใครจะไปรู้ได้เพราะเป็นพุทธวิสัยนะ พระบรมสารีรไม่ได้สําคัญตัวอยู่ในที่ใดใดทั้งสิ้นถ้าหากว่าพระบรมพระอรหันต์สำคัญตัวอยู่ในที่ใดใดทั้งสิ้นพระอรหันต์ก็ต้องมีกิเลสพูดตามสมมุติก้สมมุติตรงตรไม่มีกิเลสเข้าไปยึดถือพูดตามปรามัตดก็ปรามัดตรงตรงมีไม่มีไม่มีกิเลสเข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของพูดเรื่องพระเนรพนก็เป็นพระเนรพลตรงตรงไม่มีกิเลสเข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของอานนท์อานนท์ เอน้ามาให้เราดื่มปูผ้าชังคาติดลงให้เป็นสี่ชั้นเราจะเอ็นกายแซบหน่อยก็พูดตามสมมติอนวนเอ๋ยอ น, นัตตาดอกอย่างนี้มันก็ไม่ถูก <c oughs> คล้ายๆกับว่าอนุนเอ๋ยรถคันนี้มันเดินทางมานานแล้วม่อนหน้าของมัน แห้งแล้วเอาหน้ามาใส่ซักค้ายๆก็ไหวอย่างนั้นแหละเครื่องของมันรอดแล้วต้องหยุดเสียก่อนคล้ายๆก็ไหวอย่างนั้นแหะอนุเฉยอนัตตาดอกอย่างนี้มันก็ไม่ถูกก็พูดตามสมมุติแต่ไม่ติดอยู่ในสมมุติพูดปรมัดท่านก็ไม่ติดอยู่ในปรมัตดพระท่านไม่สมมุติไม่สําคัญว่าตนอยู่ในสมมุติไม่สําคัญตนว่าอยู่ในปรมัตด ไม่สําคัญตนว่าอยู่ในสังขารไม่สําคัญว่าสังขารเป็นตนตนเป็นสังขารไม่สําคัญว่าพระนิพพานเป็นตนจนเป็นพระนิพพานไม่สําคัญว่าปัจจุบันเป็นตนจนเป็นปัจจุบันไม่สําคัญว่าอดีตเป็นตนตนเป็นอดีตไม่สําคัญว่าอนาคตเป็นตนจนเป็นอนาคตพระพิจารณาลงตามในจริงของว่างแล้วทีนี้วิญญาณปฏิชนที่ของท่านก็ไม่มีนั่นนั่ถ้าทั้งหลาย ไม่ทำจิตให้เหมือนดินเหมือนน้าเหมือนไฟเหมือนลมท่านทั้งหลายไม่พน้นเลยพระบมาาศาสดามันไม่ได้สําคัญว่ามันเป็นดินเราใส่ชื่อให้มันก็ดีอมันก็ไม่ได้ปดฏิเสธเหมือนกันมันก็ไม่ได้รับไม่ปัดมันก็ไม่ได้อุเบกขาเหมือนกันดินน้ําไฟลมตาหูจะบูกเรียนกายใจก็เหมือนกันถ้าเท่ากันว่าตาหูจะมูกเรียนกายใจเป็นตนเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเมื่อตายแล้วมันก็ไปเป็นใจอีกเหมือนกัน ทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีตาเพราะชอบเลีงเลดูลูกทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีหูเพราะชอบฟังเสียงทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีจมูกเพราะชอบดมกลิน่นทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีลิ้นเพราะชอบลิ้มรสทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีกายเพราะต้องการเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือผดทะพมากระทบ ทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีใจพราะชอบนึกคิดไม่เบื่อไม่น่ายเหตุนั้นจึงยืนยันว่าความปริกเป็นเครื่องสัญจรของโลกไม่ยึดมั่นอันหนึ่งก็ไปยึดมั่นอันหนึ่งไม่ถืออันหนึ่งก็ไปถืออันหนึ่งอ่ะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะความหลงมีเรื่องว่าถ้าความไม่หลงเหนือความหลงไปแล้วความหลงก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ปัญญาเหนือความหลงไปแล้วความแลกวก็เตะกันเจงสัญญาต่อสัญญาไปลบ ก, กันสัญญาแปล ว, ะวา่นนญญ า, ญญ า, ญญาความจำอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาความจำว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลความจำอันที่ไม่ใช่เราเขาสัตว์บุคคลนั่นเองจะไปต่อสู้กัน สัญญาต่อสัญญาไปต่อสู้กันจึงว่าอ น, นิจจสัญญาความไม่เที่ยงแห่งสังขารทุกขสัญญาความไม่เที่ยงแห่งทุกอนัตตะสัญญาความไม่ใช่ตัวใช่ตนให้จำไว้จาไม่ใช่เฉยให้รู้ตามเป็นจริงเพราะมันเป็นจริงอยู่ก่อนรู้แล้วถ้ามันเป็นจริงอยู่ก่อนก็ไม่สามารถจะรู้ตามเป็นจริงได้ สิ่งของทั้งหลายทีม่มันว่างอยู่ก่อนแล้วจึงรู้ตามจริงที่มันว่างมันว่างอยู่ไม่ใช่สายไม่ใช่บุคคลมันไม่ยืนยันว่ามันจะเป็นของใครเราแปลบัญญัติว่าอันนั้นอันนี้นักปฏิติอยู่ที่นี่ผู้หลงปฏิตรอยู่ข่าเป็นพระเนพานจงมารู้ข่าจงมาปฏิบัติแทงข่าพระเนผานก็ไม่ได้เ อ, อ่ยสังขารก็เหมือนกันข้าพระเจ้าเองเป็นสังขารเกิดดับเป็น สังขารก็ไม่ได้ยืนยันเป็นเพียงมาผู้รู้ตามไปจริงล้วก็รลบกันอยู่ในตัวจะสำคัญว่าลบอีกมันก็ไม่ถูกเมื่อเราลืมตาขึ้นแล้วจะสำคัญว่ามันลบกันอีกมันก็ไม่ถูกจะทำกิริยาลบอีกมันก็ไม่ถูกจะทำกิริยาเห็นอีกมันก็ไม่ถูกพอลืมตาเข้าแล้วมันเห็นแล้วเนี่ยทำกิริยาเห็นอีกมันก็ไม่ถูกทำกิริยาไม่เห็นก็ไม่ถูกเหมือนกันเหตุนะ ท่านผู้พ้นไปแล้วจึงไม่สําคัญตัวอยู่ในที่ใดๆทั้งสิ้นนั่งเขาเรียกว่านั่งตามธรรมดาเพื่อพูดแม่ให้ขัดคอชาวโลก <c oughs> <c oughs> เพื่อให้รู้จักความหมายยืนเดินนั่งนอนรับตื่นนึกคิดพระานไมาเป็นข้าเป็นท่านมายืนเดินนั่งนอนรับตื่นเลยไม่ได้เป็นข้าเป็นท่านมานึกคิดมารู้มาฉลาด ไม่สําคัญตัวว่ารู้ไม่สําคัญตัวโง่ว่าฉลาดอันใรเลยพระเนปานไม่สําคัญว่าตัวศูญศูนสิ้นสิ้นอะไรเลยนะแต่ความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่ส ạt, ัตว์ไม่ใช่บุคคลอยู่ตามธรรมชาติไม่ได้เอ่ยว่าข้าพเจ้าเป็นของคนนั้นข้าพเจ้าเป็นของคนนี้ข้าพเจ้าเป็นพระเนปาลข้าพเจ้าเป็นสังขารไม่ได้เอ่อย่างนั้นรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลดพ้นตากความหลงตามเป็นจริงเท่านั้น ถ้าใจยังยึดถือไว้ใจเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่ใจก็ต้องมีวิญญาณปฏิสนธิก็จะไปเกิดแก่เก็บตายอีกเหมือนกันอันะอนัตตาทั้งหลายรวมลงอยู่ที่ใจอันนี้จังทั้งหลายก็รวมลงอยู่ที่ใจทุกทั้งหลายก็รวมลงอยู่ที่ใจไม่ทุกข์ไม่สุขก็รวมลงอยู่ที่ใจผู้ยึดมัน่นถือมั่นก็รวมลงอยู่ที่ใจเพราะ ความหลงไปอาศัยใจอยู่ด้วยเดชพระพุทธศาสนาอัญชงพระคุณข้ามันมีะมาณและก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่ไม่ได้มาในที่นี้ก็ดีทัวท้งไตรโลกาและประสบจากความสุขความเจริญในบวรพุทธศาสนา เพราะสมานพระพุทธเจ้านี่เย่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนโดยไม่เหลือนัจปฏิบันักจิตปฏิบัตินักธรรมเทินปจิบัตินจิตปฏิบัตินักธรมรมในที่รู้ตามเปจริงปฏิบัติตามเจริงลดพ้นตามเปจริงโดยไม่เหลือพวกเราทั้งหลายจงรู้ตามจริงปฏิบัติตามเจริงลดพ้นตามเจริงโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเธอออไปหาไปแล้วเนี่ย